กอนโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องขตัตสูตรในเจตุการิบาทอังกุตรนินกายเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงนี้มีการประรบเรื่องโลกาวิวัตรกันเยอะ เมื่อวันเมื่อวานกับเมื่อวันซืนโรงเรียนเซนเ ย, ยโซฟซนเซนโยแซฟคอนแวนนั่นน่ะนำนักเรียนม4ม5มาก็ห้าร้อยกว่าคนก็ต้องการให้มัรยายธรรมะเพื่อครองชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ เมื่อวานก็มีมาทางมหาเทลัยติดต่อไว้ให้บรรยายเรื่องโลกาภิวัตน์เหมือนกันคือแสดงวก้าวหน้ายุคโลกาภิวัตที่ว่าเนี่ยก็เป็นยุคที่เรียกว่าโลกมันไร้พรมแดนที่ไร้พรมแดนจริงๆก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ไปมาอย่างรวดเร็ว ปัญหาใหญ่ในการดำรงชีวิตคือการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารการตัดสินข้อมูลข่าวสารั้งตามปกติแล้วการแข่งขันทั้งปวงจะมีลักษณะที่มุ่งโอชนะฝ่ายตรงกันข้ามและมุ่งที่จะให้เขายอมรับนับถือสถานะัางตัวเอง เราจะเห็นว่าแนวของการรับฟังข้อมูลข่าวสารมันจะมีอยู่สองแนวใหญ่โดยมองจากตัวผู้สื่อสารแนวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาสนาเรียกว่าคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนมุม ปี่มิ ว, มวประกาะคุณตัวเรานั้นจะเป็นการสื่อสารที่มุ่งประโยชน์ของเราคือผู้รับสารแต่ในอีกวงการหนึ่งนั้นคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมุ่งผลประโยชน์ที่ฝ่ายผู้สื่อสารจะได้รับเพราะแนวตรงนี้ที่จริงก็คือแนวที่ ขบวนกระสานทั้งหลายนั้นมักจะมัมกจะมองไปที่สิ่งซึ่งเขาจะรับจากการสื่อสารจึงมีรูปแบบมีความคิดหลากหลายจนถึงคนที่ทางานสายนี้สามารถตั้งเป็นบริษัทจละบางครั้ ง, งรํารวยขึ้นมาได้เดยอะว่าเราในฐานะก็คงเหมือนเดิมก็คือคงเป็นคนที่วินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร ทั้งตัวข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นและทั้งตัวที่มาของข้อมูลข่าวสารแตในการวินิจฉัย ท, ที่จริงมันก็ใช้หลายระดับรับยอมรับหรือระดับปฏิเสธระดับที่จะตัะดสินเลือกประพฤติปฏิบัติระดับที่จะยกย่องตำหนิคน เทียบระดับให้ขุดให้โทษซึ่งกค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในประสูตร์ว่าคนที่ชื่อว่าเป็นการขุดตนเป็นการทำลายตนคตะทาดเนี่ยคาตะเนี่ยคือแปลว่าขุดหรือทำลายหมายความว่าการจะขุดหรือทำลายตน มันก็อยู่ที่ตนของคนนั่นเองคือจะขุดหรือจะทําลายทีนี้สิ่งที่ขุดหรือทําลายก็พูดทั้งสองแนวขุดทําลายความดีหรือขุดทําลายความชั่วแล้วก็อยู่ที่การวินิจฉัยการตัดสินข้อมูลข่าวสารดานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในกรณีนี้ทรงยกตัวอย่างบุคคล แต่เราจะต้องเข้าใจว่าตัวอย่างก็คือตัวอย่างเป็นการใช้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเราก็ใช้ไปทุกกรณีทั้งในกรณีรับกันในในกรณีปฏิเสธทั้งในกรณีที่จะนามาประพฤติปฏิบัติหรือแนวที่จะงดเว้นแนวของการให้คุณให้โทษแก่คนอื่นแต่ข้อที่เราลองสังเกตดูว่า คนเ่านั้นมีมีอากาติอากติดนี้ค่อนข้างจะยุ่งมากเพราะการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารทั้งหลายโดยพื้นฐานทั่ ว, วไปเนี่ยนะคนจะเชื่อเรื่องความชั่วของคนอื่นได้ง่ายกว่าเชื่อเรื่องความดีของคนอื่นนั่นคือเป็นสูตรเป็นสูตรที่ในสังคมเลยตั้งแต่ไหนแต่ไร ถ้าเราสาไว้ลึกลงไปเราก็จะพบอวิชชานั้นแน่นอนนะนะแต่เราจะว่าฐานการเก็บสะสมไว้ในชีวิตประจำวันจะสมความรู้สึกต่อคนในชีวิตประจำวันนั้นอย่างหนึง่งฐานที่เป็นพื้นจิตอัตยาสัยของคนนั้นอย่างหนึ่งฐานที่เป็นพื้นจิตอัตยาสัยของคนที่เกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับความดีความชุวยก็ออเกี่ยวกับคน จะมีฐานของความเบียดเบียนเห็ือนว่าสัตว์โลกนั้นจะมีการเบียดเบียนกันมากวัตถุสลายกันมากตั้งแต่ไหนแตลัยกันมาแล้วนะฮะจนถึงพระพุทธเจ้าส่งประรพถึงสภาพของโลกโดยรวมบอความเป็นดูของคนในโลกที่มันมีความขัดแย้งกันว่า ทุกชีวิตนั้นปรารถนาความสุขแต่กลับสร้างเหตุของความทุกข์แล้วก็เรียกหาความสุขซึ่งลักษณะเหล่านี้ท่านเด่นว่าราบางทีเราเรียกหาความสุขจากปัจจัยภายนอกจนไม่มีใครค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าพูดความจริงยิ่งยุคสมัยการหาเสียงแล้วก็ไปกันใหญ่ในเมื่อวานในข่าวครา ว, าวเรื่องปฏิรูปการเมือง มื่การเมืองมันอยู่ที่คนเนี่ยนะการเมืองไอ้ไอระบบมันอยู่ที่เศษกระดาษเฉยๆพระเจ้าท่านสอนสามคำก็นําศาสนาได้แล้วไม่ทําบาปต้องโปร่งทำกุศลให้สมบูรณ์ทำจิตให้ฟองแพร่มันก็นําศาสนามาได้ทั้งสองพันกว่าปีแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องมีแก้ตัวอักษรอะไร ม, มันอยู่ที่การพัฒนาคนขึ้นสู่ระบบ แล้วเมื่อระบบตัวไหนมีปัญหาคนก็ค่อยแก้ขึ้นเมื่อเขถึงระบบตรงนั้นได้กันมีแต่โครงการจะแก้รัฐธรรมนูญอยู่เรื่อยไม่แก้ที่คนมันมันมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าจะเห็นว่าแนวสมงนี้ก็คือแนวที่มองปัญหาด้วยความรู้สึกรู้สึกอคตินะครับ ทีนี้การการเบียดเบียนที่มีอยู่พื้นเป็นพื้นจิตของคนถ้าถามทำไมคิดเบียดเบียนมันก็เกิดมาจากอัตตาอ่ะมัจเจอัตตาเกี่ตัวตนเขเรียกอั ต, ตนุทิชิหรืออั ต, ตวาทุปาทานยึดถือตัวตนหรือความเห็นเป็นตัวเป็นตนยึดถือในตัวตนขยับไปหน่อยก็เป็นพวกตนก็ตนก็พวกของตน แล้วก็มีความคิดที่จะทำลายล้างคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเพื่อได้มาเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่ออะไรเพื่อลาบยศสรรเสริญสุขอะไรอะไรก็ตามนะสรุปว่าก็ามุ่งไปในการทำลายคนอื่นแล้วถ้าจะให้พูดถึงความดีเนี่ยถ้าเขายกย่องเราพวกเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรดีอย่างนั้นหรือไม่ดีอย่างนั้นใครยกย่องเราก็ชอบอะ แต่เขาพูดถึงความดีของคนอื่นเนี่ยเราไม่ชอบนั่นคือพื้นอัตยาศัยเบียดเบียนที่เป็นฐานพอใครพูดถึงความดีของบุคคลอื่นเราจะเกิดริษยาทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบเขาเพราะเราคิดเบียดเบียนเขาลึกๆเปลี่ยาเราคิดเบเบียนเขาแล้วก็มีความเป็นเราเป็นเขาอยู่แต่ถ้าหากว่าพวกเราได้ดี เราก็กลับชื่นชมยินดีคือมุติตาเราก็มีได้ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อคนแต่เรามีไม่ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกไม่ดีต่อคนนั้นก็อาการอีกประการหนึ่งที่แรงก็คือความริษยาทั้งสองอย่างเนี่ยฮะสร้างความเดือดร้อนให้กิดโรคพระเจ้าทรงแสดงว่าความริษยานั้นทาโลกไปปี น, นักการเบียดเบียนการ ก็นำความพิบัติเดือดร้อนก็ทำโลกอัพินาธเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือฐานที่ ท, ที่ที่เราขยับไปอีกจุดหนึ่งไม่ได้และในสุดการเก็บสะสมอารมณ์ในชีวิตประจำวันเรามักจะมองคนด้วยความความรักความชังนะฮะมองวยความรักความชังและส่วนใหญ่มันจะมองด้วยความชังในความไม่ชอบ ัพอถึงจุดจะมีการวินิจฉัยตัดสินคนเราก็จะพยายามแสวงหาโทษแสวงหาส่วนที่บกพร่องของคนแล้วก็ไม่มองในส่วนของความดีแต่ไม่มีการวินิจฉัยตัดสินคนด้วยความลำเอียงคือด้วยอคติชอบพอพูดไปอย่างนะไม่ชอบพอพูดไปอย่างนะ บันทีก็กลัวก็พูดไปอย่างหนึนน่ไม่กลัวก็พูดไปอย่างรู้พูดไปอย่างไม่รู้พูดไปอย่างปัญหาเลยมันมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะแม้แต่เรื่องปฏิรูปการเมืองดีว่าเนี่ยตัวเอกสารที่ว่าเนี่ยยังไม่มีใครได้อ่านกันเลยนะว่าหมายความมายังไรคาว่าปฏิรูปเนี่ยแต่ก็หวือหวาหรือก็ลึกลึครงไปกันนะ นั้นแสดงเรื่องอาการของโมหะคติแล้วก็พยาคติคือกลัวว่าคนจะหาว่าเราเป็นไดโนสเสาร์ต่อล้านปีขัดขวางความเจริญอะไรต่อไรนะก็ว่าไปต้องการจะได้สถานะเพื่อตัวเองทั้งๆที่เอาก็จริงเราไม่รู้เลยนะว่าเรื่องอ น, นั้นที่เขาว่ามันคืออะไรจะทํำยังไงที่เรียกว่าปาฏิรูปไปรูปดีก็มีปฏิรูปไม่ดีก็มีนะมันก็มีตัวอย่างมาทั้งหมดในโลกนี้ เพราะ แ, แนวสตรงนี้จึงมันอยู่ชี้การปรับพื้นฐานทางจิตเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงปัญหาในระดับของการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มีสูตรอยู่ว่าก็รับฟังได้ แต่การรับฟังนั้นเราเคารพมติของผู้พูดในขณะฟังพิดถูกยังไงเราก็เคารพเขาก็พูดอย่างนั้นน่ยแต่ว่าการจะนํามาประพฤติปฏิบัติหรือไม่นี่มันต้องเคารพมติของเราเองต้องผ่านลักษณะที่เราเรียกว่าการกลั่นกรองการพินิจพิจารณาด้วยการกลั่นกรองภาพของการกลั่นกับการกรองในค่อนข้างชัด บางเรื่องต้องกรองกันหลายชั้นหรือต้องการให้ดีจริงๆก็ต้องกรองกันหลายชั้นนิ่งการกลั่นยึงไปใหญ่เลยเอาเฉพาะเฉพาะที่บริสุทธิ์ตตล้วนขึ้นมาวันภาพการกั่นกรองจึงจําเป็นจะต้องใช้และที่จริงถ้าเราลองดูให้ดีว่ามันมันเป็นธรรมชาติของเราตาเวลาจะเจอฝุ่นเจออะไรแรงๆมันก็มีเสื่องกันกรองเอาไว้ จมูกก็มีการกันกรองกลิ่นเอาไว้ในส่วนต่างๆจะมีลักษณะของการกันกรองซึ่งก็เป็นเปนเป็็นนเเรื่องธรรมชาติแต่ว่าใจที่จริงมันก็มีเครื่องกันกรองมากที่สุดแต่ไหนเพียงแต่ว่าเรามีใช้พอหรือไม่ในการนี้ด้นนั้นบางอย่าง ม, ม, มันมีความสลับซับซ้อนในตัวข่าวสารที่มีการนําเสนอ แต่ถ้าเราไปมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นการยอมรับหรือการปฏิเสธไปในขนาดนั้นทางนี้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบมันมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตมันเหมือนงูก็มีหัวมีหางมีกลางคนก็มีหัวมีกลางมีหางก็สิ่งทั้งหลายมันมันมันมันมีหัวมีหางมีกลางเวันจะตัดสินเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งมันก็ไม่ได้ จะต้องมองให้ตลอดสายของเรื่องอ น, นั้นที่นี่ที่ที่มันมองไม่ค่อยได้อย่างที่บอกมันติดอยู่ที่ตัวคนเพราะในความเป็นคนเรารู้สึกมีความเป็นเราเป็นเขาเวลาการถึงระดับของการนำมาประพฤติปฏิบัติคือบางทีเราก็ขาดการระดับของการการรอง กางฟังนั้นเราเราคงจะห้ามอะไรไม่ได้มันสื่อสารมันเยอะนะแต่ทำยังไงว่าจะมีการกรันกรองในระดับของการนมาประพฤติปฏิบัติมันจะต้องถามว่าอะไรเพื่ออะไรแล้วก็ได้ประโยชน์ยังไงซึ่งบางครั้งพอเอาข้จริงเราก็นึกประโยชน์มันไม่ออกมันได้ประโยชน์อะไร แต่ก็มีการประฏิการกระทําในระดับนี้อยู่ทั่วไปนะซึ่งก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะบางทีเป็นเรื่องวุฒิภาวะของคนก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็คิดได้ขนาดนั้นนะี่ยนะคิดได้ขนาดนั้นทําได้ขนาดนั้นเพราะในชั้นนี้ที่จริงแล้วต้องใช้การใช้ปัญญาพิจารณาทรงใช้คําว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบ ใช้ปัญญาพิจารณาชี้วเคียงโดยรอบข้อหมายความต้องมองทุกแง่ทุกมุมทุกด้านของเรื่องรากนั้นไม่ใช่ว่าไปตัดสินเอาเฉพาะตรงใดตรงหนึง่งแล้วก็ไปให้ความชื่นชมกับเรื่องกับการกระทาหรือกับข้อมูลข่าวสารนัลนานั้นาการนำมาประพฤติปฏิบัติ ในแนวศาสนาจึงมองไปทั้งการใช้ปัญญาใช้ศรัทธานั่นกล่าวแต่การใช้ศรัทธาไม่ใช่ง่ายนะฮะมันต้องมองตัวคนที่มาของศรัทธาให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเชื่อง่ายเกินไปอย่างข่าวคร า, าวเมื่อไม่กี่วันมา น, นี้ที่เด็กทางนครนายกที่ถูกทีถกรถมารับไปตั้งสิบกว่าคนเนะี่ยเราเห็นได้ว่านั่นคือวุฒิภวะ แล้วก็ดีที่มีผู้ใหญ่เขาผิดสังเกตแล้วไปจับได้หลายทันทำไปงั้ น, นแล้วก็แย่นะฮะจับเด็กไปตั้งสิบคนหนึ่งต้องแย่เลยเพราะการวินิจฉัยจนถึงลงมือประพฤติปฏิบัติจะต้องมั่นใจแม้จะเชื่อเนี่ยต้องมั่นใจในที่มาแต่บางก็จะกลายเป็นเครื่องมือเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่ใช้การสื่อสารทึ่มีการปรุงแต่ง เือผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมุ่มหน้า จ, จิตใจให้ไหวตามคลอยตามไปและในกรณีขอกงการใช้ปัญญาก็ต้องมีข้อมูลมากต้องมองเห็นทั้งระบบดังกล่าวที่ทรงใช้แนวกรกรองการพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเทียมโดยรอบครอบคือไม่ใช่ใช้ปัญญาเฉยๆแต่ว่ามองรอบครอบรอบด้านเทียบเคียงมอง สิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเชื่อมต่อกับเรื่องของอดีตมันต้องมีอดีตเข้ามันแล้วก็มองไปยันถึงอนาคตถึงผลที่เราจะได้ อ, อย่างอย่างคราวหนึ่งเนี่ยเคยไปเจอเรื่องเมื่ผ่านมาแล้วนะแต่เราก็มองเห็นตัวตั ว, ต, วตัวอย่างของความคิดที่ไม่มีระบบหรือไปบรรยายอบรมในที่หนึ่งคนเยอะที่ต่างจังหวัด เขก็พูดถึงแช่นะแช่ที่ดังๆอนี้แช่น้ํามันซื้อเป็นล้อซื้อเป็นคันซื้อเป็นอะไรท่อะอะไรเนี่ยแล้วก็ถามาน้ํามันนี่ซื้อที่ไหนเรือบริษัทอะไรบรรทุกหระเบรกันที่ที่บริษัทอะไรแลร้วคลังน้ํามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ปั๊มน้ํามันอยู่ที่ไหนที่ทําการบริษัทอยู่ตรวไหนไม่มีเลยนะเราสแสด ง, งเราไม่ไม่ไม่เห็นมันทางระบบ แล้วเราก็เชื่อเพราะถูกล่อโดยผลประโยชน์เพราะตามปกติจุดตายของคนก็การการถูกล่อโดยตัวผลประโยชน์ปลาการจับสัตว์การจับปลานะฮะการจับสัตว์ทั้งหลายเราเห็นว่าจุดพาดของเขาก็คือถูกล่อโดยผลประโยชน์ถูกล่อโดยเหยื่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงใช้คําว่าอามิตรคือวัตถุ ก, การมทั้งหลายที่ทํามาลอ่อจะเรียกว่าเหยื่อมันก็เหยื่อที่ใช้ตกเบ็ดใช้ลอ่อใช้ลอ่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ก็เป็นขายชีวิตตัวเองก็หลงไหลในตัวเหยื่อเหล่านั้นนั้นคือการโลภไปนําหน้าปัญญาคุมไม่ทันขาดการคิดที่เรียกขาดฉลาดเฉลียวหรือไม่มีทั้งฉลาดเฉลียวในแนวของการนำมาประพฤติปฏิบัติในแนวของการนำมาปฏิบัตินำมาเว้นในนำมาประพฤติเนี่ยมันก็ต้องผ่าน อย่างได้ยังหนึ่งแต่ก็รบอบครอบคือศรัท ธ, ธากับปัญญาแต่ทรงยกอย่างตัวอย่างในตังนี้คือตัวยกย่องหรือตำหนิคนอนนี้คือปัญหาใหญ่อย่างที่บอกว่าเรามีความรู้สึกรักสัง่งเรามีความรู้สึกริษยาเบียดเบียนเป็นฐานจิตอยู่เรามีอัตตาอยู่ภายในจิตเรามีความเบียดเบียนความริษยาอยู่ภายในจิตสะสมชีวิตประจาวันมีความรักความสัง่ง กับคนไม่เยอยะไปหมดเลยและความรักความชังเหล่านั้นบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องอดีตซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวแต่เราก็พยายามให้เกี่ยวพยายามจะย้า้เกี่ยวกันตอนตอนเราสังเกตบ้านเมืองเราเนี่ยมีข่าวกระทบกระทั่งระหว่างด้านขาเขมรกับด้านลาวไอ้ไม่จะด้านด้านพม่านี่บ่อยที่สุดเกือบจะทุกวัน เพราะอะไรระจีงยิงเราสามชาติตรงนี้มันมีอดีตอดีตที่คบคืนกันอยู่แล้วพอพอเกิดปัจจุบันเนี่ยมันเอาอดีตเข้ามาผสมทุกทีคือการเคยเบียดเบียนประทุษร้ายกันตั้งนานมาแล้วนะครับโบราณพม่า ก, ก็ น, นานเหลือเกินขเขมรก็ น, นานเหลือเกินเลยมันแรงเป็นทวีคูณขึ้นมาอนะแล้วพอถึงด้านลาวเนี่ยเราเห็นว่าไม่เคยแรง ไม่กระแรงเพราะอดีตมันไม่แรงมันไม่มีแรงบวกมันมีเฉพาะแรงปัจจุบันแรงอดีตไม่มากถ้ากระทบด้านลาวไม่แรงเพราด้านเขมรกับด้านพม่าแล้วแรงทุกทีไม่รู้เรื่องอะไรเห็นได้ชัดว่าอารมณ์อดีตกับอารมณ์ปัจจุบันมาประสานกาันก็กลายเป็นสองแรงทั้งดีไม่ดีมันก็มีผลกระทบกระทบทั้งด้านบวกด้านลบนะ ว่าแนวตรงนี้ที่ส่งสอนว่าคนเราเป็นการสะสมบาปเป็นการทำลายตัวเองเป็นการขุดทำลายความดีของตัวเองจนถึงเหตุให้ตกนรกในการพายภาคหน้าใช้นรกนานมากแล้วก็นิรภูธะต้งใช้คำว่าตลอดนิรุทธานานเกิดนั่นก็คืออะไรคือคนสี่ประเภท ประเภทหนึ่งี่ขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบเสียก่อนและตำหนิคนที่ควรแก่การยกย่องขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบเสียก่อนแล้วตำหนิคนที่ควรแก่การยกย่องเป็นการอกคนมาเป็นตัวมองเป็นตัวกำหนด พอดีคนเหล่านั้นแสดงว่าเราเก็บความไม่ชอบเอาไว้ความลิสยาไว้แม้แต่เขาจะทำดีเราก็หาเรื่องตำหนิเขาตำหนิไปตำหนิมาให้ลราสังเกตว่าบางทีเอารูปร่างเขามาพูดเตี้ยไปดำไปอ้วนไปผอมไปไม่ต้อเกี่ยวอะไรกัน รู้เกี่ยวอะไรกันพ่อแม่เขายากจนเมื่อปอดไม่เห็นมีอะไรอะไรแต่ไม่รู้เอาอะไรมาพูดนะคุณทนายไม่รู้เอาอะไรมาพูดคนละเรื่องเป็นการพูดกันคนละเรื่องแต่เพราะว่าใจเราไม่ชอบเพราะการถ้ายมองคนแล้วต้อ ง, ต, องต้องแกลงถ้ามองใช้ตัวคนเป็นตัวกาหนดดีถูกผิดดีชั่วแล้วจะแกวง่งเพราะคนเรามีความรู้สึกเบียดเบียนริษยานะแล้วก็ รักษงที่เก็บสะสมไว้ในชีวิตประจำวันและตัวเลือกจริงๆก็คือเรากับของเราบุคคลตานะฮะเรากับของเราการกระทำเช่นนี้คนดีจะถูกกีดกันทำลายแต่เราจะเห็นว่าการทำลายนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นการทาลายเป็นการขัดขวางเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับคนนั้น แต่ถ้าคนนั้นก็เป็นคนดีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะเขาแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเขาก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ที่พระจ้าทรงแสดงว่าเป็นบาปเพราะอะไรเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในการทํำลายของเราเนี่ยเป็นมันไม่จะกระทบเฉพาะคนนั้นซึ่งเป็นเรื่องระวังเรากับเขาแต่จริงๆแล้ว ผลประโยชน์ที่ประเทศชาติประชาชนศาสนาจะได้จากความดีงามของคนนั้นมันก็ถูกทำลายตามไปเลยนดี๋ดถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นบาปถ้าเรามองดูกระแสกิเลสคือการการกําหนดบาปมากบาปน้อยเนี่ยนะมันกําหนดด้วยปริมาณของความรู้สึกปริมาณของกิเลสด๋ในกรณีนี้เราเห็นได้ชัดว่าเบียดเบียนมากวิษยาบมากนะไม่ชอบมาก แล้วจนมุ่งไปสู่การทำลายก็ แ, แสดงว่าการเก็บการสะสมแทนที่จะเป็นระดับไม่พอใจไม่ใช่แล้วมันเป็นอาฆาตพยาบาทมันเป็นเรื่องของความอาฆาตพยาบาทบางทีก็กลายเป็นอาการที่เราเรียกว่าตีหวกระทบกราดคนนั้นเขาไม่ผิดจริงหรอกแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องคนนั้นผิดไม่ใช่ คนที่เกี่ยวข้องคนนั้นเราไม่ชอบเราเล่นงานคนนี้คนน้อยไม่ได้เราก็เล่นงานคนนี้เพราะนเอาไปเชื่อมเอาเอาเอาอะไรล่ะเอาส้ำนัดไปเชื่อมเอาบ้านไปเชื่อมเอานามสกุลไปเชื่อมเอาท้องถิ่นไปเชื่อมเพื่อหเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นความคิดที่มีความเบียดเบียนแรง เพราะฉนั้นจิตใจมันก็สะสมบาปเยอะแล้วก็กลายเป็นแนวอคติก็คืออะไรก็คือในกรณีนี้เราเห็นได้ว่ามันเป็นโทสากติกับโมหาคติขาดปัญญาเป็นอาการของโมหะคือความหลงอยู่แล้วนะฮะขาดปัญญาพิจารณาเที่ยวเทียบแล้วออกมาในรูปของการตำหนิตีเตียนคนที่ควรแก่การยกย่อง และประการที่สองเนี่ยการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบาการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วยกย่องคนที่ควรตําหนิแล้วนะคนเนี้ยที่จริงก็ควรควรแก่การตําหนิแต่พอดีมันเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเก็บสะสมความชอบเอาไว้จนเอียง จนเอียงเหมือนกันแล้วในที่สุดมันก็พอคนที่เรารู้สึกอย่างนั้นไปเกิดทำชัวำ่วทาผิดทำไรครับด้วยอำนาจของความรักที่เรามีต่อคนนั้นเราก็กบเกิดเราก็ปกปิดเขาทำผิดกลายเป็นคนถูกกลายเป็นความถูก นอกจากเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้วคนเหล่านั้นเองก็จะไม่รู้จักหลักธรรแล้วก็จะสร้างความชั่วความผิดซึ่งก็ทบต่อสังคมเราไปเรื่การการปกป้องไปเรื่องเรากัเขาแต่ปกป้องไว้แล้วมันก็ปล่อยเสือไปอาลาดมันไปนกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยการกระทบกระเทือนต่อสังคม แม้ตรงนี้ท่นานลองสังเกตว่าบางที่ในเรื่องเนี่ยเช่นระบบของทางราชการเนี่ยที่ก็พูดเรืงการเลื่อนพักเลื่อนผู้เนี่ยพูดเรืงการเลื่อนพักเลื่อนผคนเราจะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนอะไรต่ไรมันก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะเป็นเกณฑ์ในการกําหนดพิจารณาเชียร์ย แต่พอเอาเรากับพวกเราเข้าไปเกี่ยวแล้วยุ่งทันทีเลยการเล่นพรรคเล่นพวกก็เกิดขึ้นการกีดการขัดขวางคนคนดีแม้จเจริญก้าวหน้าในองค์ราชาการก็เกิดขึ้นเราย่าลือ ม, มาตัวงานเนี่ยตัวงานเนี่ยมันมั น, ม, นมันทำให้แก่ชาติบ้านเมืองแต่ตัวคนอะเป็นพวกเราก็ไม่ใช่พวกเราแล้วเราก็ไปยกย่องคนซึ่งไม่ใช่พวกเราทั้งๆที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีผลงานขาดความซื่อสัตย์จริตแต่เราตอบแทนด้วยผลประโยชน์ของชาติคนพวกเราไปได้ผลประโยชน์ของชาติแต่ว่ากลับทาลายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาติชาติมีแต่เสียก็เสียเสียทั้งเงินเสียทั้งงานเสียทั้งคนดีที่ถูกกินกันไปปัญหาเลยมันก็ใหญ่ที่ทรงแสดงวตถนะุนรกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนอภูธะเนี่ยมันมันมันบาปมาก ทีนี้ในกรณีที่ที่คนนั้นเป็นคนที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีมีผลงานดีเด่นมีความซื่อสัตย์จริตแต่พอดีไม่ใช่พวกเราเราก็ขัดขวางเอาไว้ไอ้งานที่เขาจะทำเพื่อชาติเขาก็มีอกไม่มีโอกาสชาติที่จะได้ผลประโยชน์จากการทํางานของคนเหล่านั้นเข้าก็ชาติก็ไม่ได้ชาติบ้านเมืองก็ไม่ได้เราเองสะสมบาป แล้วก็ผลกระทบนั้นนอกจากาเราได้บาปยังยังยังยังสร้างบาปไแก่คนอื่นแก่สังคมเป็นส่วนรวมด้วย น, นั้นก็คือโลกเราจะเห็นว่าโลกมันก็เป็นอย่างนีคน้คนดีในโลกจริงถูกทําลายอยู่เลยปรูกกันมาไม่ค่อยได้นะฮะดีอยู่ไม่ค่อยได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกมีความเบียดเบียนมีความรุษยานะเรารู้ระดับพระพุทธเจา้าระดับาศาสดาทั้งหลายนะฮะ คนระดับนี้ก็ไม่น่าจะถูกทำลายมากแต่ปรากฏว่าก็ถูกทำลายอยู่รีเดยดอีกแนวหนึ่งก็คือขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเชียบเพียงโดยรอบครอบแล้วให้ความเคารพรับถือแก่คนที่ไม่ควรแก่การเคารพนับถือผลเสียเนี่ยมันตกที่เรา ไว้ให้ความเคารพ ร, รับถือแก่คนซึ่งเราไม่ควรเก่การเคารพถือยอมรับนับถือศรัทธาแก่คนเหล่านะั้นป็นในขณะเดียวกันก็ไปส่งเสริมคนชั่วเหนืมแนว่าเรานั้นถูกทำลายแล้วถูกทำลายแล้วแล้วคนชั่วนั้นจะมีโอกาสในการทำลายต่อไปด้วยในการทาลายคนอื่นต่อไปด้วยไปส่งเสริมสนับสนุนเป็นพวกในตรงนี้ถ้าเรามองแนวศีล แนวศีลก็คือแนวของการสมโจรในการสมโจรมาความเราไม่ได้เป็นโจรหรอกแต่เราก็สนับสนุส น, นส่งเสริมโจรรับซื้อของโจรเกี่ยวข้ อ, องกับโจรแล้วความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นแกเราความวมีตักังวลก็เกิดขึ้นแกเราก็เห็นในายชาติได้หน่อยที่สุดมันก็เกิดเรื่องกระราวเกิดมาก็โดนเขาด้วย ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือโจรได้กระมังได้พี่ความรักอาศัยไปเบียดเบียนราษฎรต่อไปเพราะการนับถืออะไรก็ตามจึงต้องอาศัยการพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาเชี่ยบเขียงมากมองเหตุมองผลกัดมากแล้วก็นึกดูนะว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาจากตรงนี้ แต่อย่าลืมว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานเนี่ยลูกศิษย์เขาไปเรียนที่อินเดียก็เอารูปของพวกฤษีฤษีรูกผู้ชีปเปลือยทั้งหลายนะมาให้ดูพิธีบำเพ็ญตบบะบาเขาอามาก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่เคยเห็นเขาอยู่ตั้งสองปีกว่าก็ทําเรามานั่งนึนกว่าลทัทธิเนี่ยมันเกิดมาก่อนศาสนาพุทธ เอาวิธีการของเขาเราเคยศึกษามานะปรัชญาศาสตร์นะเราก็นึกไม่ออกว่าท่านทําทําไมแต่นึ ก, ออกว่ามันได้อะไรขึ้นมาวิธีการของท่านก็มีความขัดแย้งกันในใ น, ในวิธีการตรงนั้นน ะ, นะตะวรมานตัวเองคลุกขี่เท่าย่านตัวบนกิเลสฝังตัวเองสารพัดเล่นแต่แปลกมันอยู่ได้ มาถึงก็ติกันนั่งคิดคิดเอ๊ะมันอยู่ได้ยังไงอยู่ในอินเดี ย, ยมันอยู่มาตั้งนานน่ะสองพันกว่าปีเขาอยู่มาได้มีลูกศิษย์ลูกหามีเทศกาลสําคัญเท่าการอาจารย์เดินเป็นแถวผ้าผ่อนก็ไม่มีลูกศิษย์แต่งชุดสูทอย่างดีตามมันเป็นแถวเป็นฝูงมันทําทําอะไรมันได้อะไรขึ้นมาแล้วก็สุดแล้วก็มาโอ้ปวดมาแสดงสิ่งที่ท่านทำจริงจริงมันมีความกัดแย้งกัน เดี๋ยวจะเดินไปไหนก็ผ้าปิดจมูกไว้แล้วก็ถือไม้กวาดเดินกวาดไปทําทําไมต้องผ้าปิดจมูกปิดปากท่านบอกกลัวจะหายใจสิ่งที่มีชีวิตเข้าไปจะเป็นบาปแล้วทําไมจะต้องกวาดกลัวจะเหยียบเอาสัตว์ตายคือท่าไม่คิดต่อไอ้ที่กวาดนะสัตว์ตายเยอะแล้วไปกวาดไปนะคือมันขาดการขาดการพิจารณาว่าไอ้สิ่งนี้ท่านทำมันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวของมันเอง แต่ตรงนี้มาได้มาได้ไปได้แต่ก็แปลกที่ไม่ออกนอกอินเดียแลวที่เนี้ยไม่ออกนอกอินเดียอยู่อินเดียในคำพีบอกว่าในลังกามีนะแต่ก็ไม่ได้ทราบข่าว่ามีนั่นคือลักษณะศรัทธาเริ่มใสถ้าเราใช้ตัวความเชื่อเป็นหลักแล้วในบางทีก็งงงาก็นึกไม่ออกจะทำทำอะไร อยา่างเมื่อวานเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้ในักเรียนเสิญจน์เซฟคนแหวนเขาเขาคิดนีนะฮะก็ก็ก็แน้เขาคิดเอาพี่พรเจ้าไปพบกับ น, นักบวชพวกเนี้ยพวกอาบน้ํำในแม่น้ําสับสิบอาบน้ําในแม่น้ําผูกกาไม่ใหญ่คงคาแตยิ่งความความคิดเขาก็เหมือนกันกรับสั่งถามอาบทาอะไรอาบล้างบาป อ้าธรรมดาไม่ต้องถามแม่นะอยากเพื่อล้างบาปแล้วเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถ้าลงอาบตามในที่นี้แล้วเนี่ยบาปมันจะหมดไปพระเจ้าก็ตอกยามมาทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นไกเขาบอกเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าสัตว์น้าทั้งหลายนี่ต้องไม่มีบาปเพราะมันมันมันอยู่ในน้ํามาตลอด คนยังโผล่มาเจอบาปกันหมดแล้วท่านไม่มีบาปโดยการอาบน้ําอย่างนี้ตายแล้วบังเกิดในสวรรค์จะได้ว่าพวกรา พ, พวกปูพวกกุ้งพวกเต่าพวกหอยพวกก็มีสิทธิจะเป็นเทวดามากกว่าเรานั่นคือการไม่คิดต่อพอเกิดใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรงนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเหตุมาเป็นอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเหตุมันสากรผลก็ต้องสากรมันไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ ไปสิ่งมีชีวิตไปอาบนา้ําในแม่น้ําแล้วจะล้างบาปได้ก็แสดงว่าใครก็ตามมาลงมาตรงนี้มันต้องอาบน้ำได้เห็น ไ, ไหมว่านี่คือการไม่ได้ใช่ผลแล้วก็แต่สะสมกันมาได้นั้ น, น, นตรงนี้จึงค่อนข้างท้าทายปัญญาท้าทายปัญญาของคนได้อย่าลืมว่าระดับทางศาสนาเนี่ยพูดยากไม่งั้นจิมโจรไม่เอาคนไปกินยาตายดีกันญายาทั้งแปดเก้าร้อยคน มันปลุกเราจนถึงกับว่าไปเชื่อเป็นกายสิทธิ์ไปหมดอะไรก็ตามที่เกีย่ยวกับจริงจดมันกายสิทธิ์ไปหมดคําสั่งกลายเป็นประกาศสิไปกินยาตายตกลงกินดาตายก็กินดาตายแล้วก็เมื่อที่ที่อะไรที่แท็กซัทเมื่อสองสามปีที่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าลักษณะอย่างเดียวกันนั่นคือขาดปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้ว ไปให้การเคารพนับถือแก่คนที่ไม่ควรแก่การเคารพนับถือทึ่งมาความวุ่ดทำลายทั้งตัวเองแล้วก็เอาคนนั้นไปเป็นเครื่องมือในการถูกขุดกุดทำลายบุคคลอื่นเราจึงมีขบวนการทั้งหลายนะฮะการเบิกการตื่นแห่แหนกันไปเพื่อตามข่าวลือต่า ง, งๆนะฮะนั่นคือการขัด ขาดปัญญาเป็นเครื่องพีนิพิจารณาและแม้จะสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราอ่อนไหวไปตามตามตามการโฆษณาแหล่านี้อย่างคราวหนึ่งที่มีกําไรวิทยาศาสตร์ทั้งหลายคนนึกออกแต่เปนานหน่อยนะฮะท่านผู้ใหญ่ของนึกออกคือนั้นเราเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดว่าเราขาดปัญญาในการวิิจัยข้อมูลข่าวสารไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านั้นเป็นระบบโฆษณาขายแก้ปวดแก้เมื่อยนะฮะ เคเจอคนขนาดนายพลนะสวมนบโมถามมาเอาเขาด้วยจริงหคุณก็นขนาดนายพลนมามสวมมาอวดอาตมาจะซื้อให้บอกแม้หรอกนีนรกายจะสิบมากไปหน่อยเราเราเราไม่เชื่อหรอกนี้ก็คือก็คือเราเราไม่มองสิ่งตดียนั้นให้ทองแท้ถึงเจอทำมาบรรกุลตรนทำลายตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ขาดการใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วไม่นับถือไม่ให้การยอมรับรับตือศัทธาแก่คนที่ควรแก่การยอมรับรับตือศัทธาเป็นสภาพของคนที่ตรงนี้ที่จริงไม่ค่อยเบียดเบียนใครเท่าไหร่นะมันก็ทําลายเฉพาะตัวเองทําะไรก็กฟังตัวเองไว้ตรงนั้นเองไม่ยอมเข้าไปก็แนวของท่านสันชัยปริภชัชชุก ในเดียกัท่านสนใจปริภาสุหมายความว่าที่จริงท่านก็รู้แต่ว่าท่านไม่ไปท่านไม่ไปตามตามนั้นนะฮะไม่ได้ไปตามลูกศิษย์ไม่ไปตามภาษาริบุตรประโมกานะก็สรุปแล้วว่าเป็นการสอนให้เห็นว่าชีวิตที่ขาดปัญญาขาดหลักพูดไงว่าเป็นชีวิตที่การขาดหลักนะ ชีวิตเรานั้นส่วนใหญ่เราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารนี่มากกว่าเราจะสื่อสารวันหนึ่งเราพูดให้คนอื่นฟังไม่กี่คนนะแต่เราฟังคนอื่นพูดนี่เยอะเลยเวลานี้ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งนสือพิมพ์บัรยโยะแล้เกิดเหตุแล้วถ้าเราเอามาอ่านม า, าฟังวิทยุเอาขนาดว่าที่ที่หัววาที่เขาว่าเก่งไงนะที่เขาว่าเก่งๆถ้าเราฟังให้จริงจริ ง, รงๆแล้วเรามาอ่านม า, านดู เราจะเห็นว่ามีความบกพร่องอย่าและที่สําคัญอย่างยิ่งคือลักษณะหลงตัวเองลักษณะหลงตัวเองก็คนตอนนั้นเราเป็นปัจเจกกรนเราเป็นปัจเจกกระจนนั้นเราไม่ได้เป็นตัวแทนใครนะเราที่จริงเป็นเป็นเป็นตัวของเราเท่านั้นเองเป็นออกมาเมื่อวานในนี้เยอะจะต้องให้ผู้แทนให้สัตยาบันจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนั้นถ้าไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้ตัวเองเป็นใคร เองเป็นใครพูดแทนเหล่านั้นก็ เ, เป็นตัวแทนของประชาชนนะคนอื่นเขาเลือกเขามาให้ทํางานตรงนี้ตัวเองก็มาตัวเองพูดเองจุดวุ่นย่อยจังเลยแล้วก็เรียกร้องตัวเองเป็นประชาชนที่นิ่งที่จริงคือประเด็จการประเด็จการตัวเองนั่นคือคือความคิดที่เป็นประเด็จการต้องเชื่ออย่างที่เขาว่าต้องทําอย่างที่เขาว่าแต่เราก็ชื่นชมกันชื่นยวกันว่าหลักการจริงจิเนี่ยมันคืออะไร รัแนวแนวหลักที่มีความสำคัญเนี่ยนะเราเห็นว่าผลอะไรก็ตามมันมันมองหัวมองหางอย่างที่ว่าเนี่ยยังแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะชัดมากว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอุดมการหลักการวิธีการนะในอวตารปฏิมโมกเนี่ยตัวอย่างจงชัดง่ายๆว่าธรรมะที่เป็นอุดมการคือขันติผลที่เป็นอุดมผลที่เป็นอุดมการคือนิพพานดับกิเลสและดับทุกข์ บุคคลที่เป็นอุดมการณ์คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนท่านที น, ทนี้หลักการที่จะเป็นอย่างนั้นคือต้องไม่ทําบาปต้องทํากุศลในสมบูรณ์ต้องทําจีได้ฟองแฟร์เพราะวิธีการในการคุมพฤติกรรมตัวเองเพื่อจะบรรลุ ต, ตรงนั้นเพื่อจะอยู่ในหลักการอ่ะก็คือต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทํำลายสํารวมระวังในปาฏิโมกุรู้จักประมาในการบริโภคฟาตาหารอยู่ในที่นั่ง ท, ที่นอนสงัดแล้วก็ ฝึกจิตตัวเองเราเห็นว่ามันจะสอดรับกันหมดพอตรงนี้สมบูรณ์ก็หมายความมาบาปหมดไปอย่งสมบูรณ์กุศลสมบูรณ์จิตผองแพร่จิตผ่องเทร่ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์บรรลุนิพพานเห็นไหมเป็นความอดทนที่ถาวรนั่นคือสอดรับกันมองหัวมองหางได้เหมือนกับถนนทางไงทางไปได้มาได้มาจากปลายทางมาถึงต้นทางก็ได้จากต้นทางไปปลายทางก็ได้จากตรงกลางไปปลายไปต้นก็ได้นั่นคือลักษณะพผสมกลุ่มกื่นกัน รอดรับกันเป็นการมองสิ่งทั้งหลายมันมีระบบของมันอย่างนั้นมาความเรื่องตรงไหนก็ได้อย่างในที่พระเจ้าสอนปฏิจจสมุปบาทเราเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทจับตรงไหนก็ได้จับหัวมาหางเลยก็ได้จับผางไปหัวก็ได้จับตรงกลางไปหัวจับตรงกลางไปหางก็ได้จับตรงไหนก็ได้แล้วมันจะถึงกันหมดเหมือนกับตัวคนคนเ่ยเราจับตรงไหนก็ได้สมมติเราเ อ, อ, อะไรมดกัดที่หัวมดกัดที่เท้ามดกัดตรงตัวเจ็บปวดทั้งตัว รู้หมทั้งตัวเลยนั่นคือลักษณะต่อเนื่องความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันต้องกระทบถึงกันแต่ว่าริ่งตัวนี้มันมีความขัดแ ย, งย้งเห็นไหมว่าคนเขาทาดีแต่เราไปตาหนิรขบเอาคนก็ทำชั่วเราไปยกย่องเราต้องการความเจริญเป็นที่พึ่งภพนักอาศัยให้ความสงบเย็นเอาไปนับถือคนที่ไม่ควรนับถื อ, อกลับปฏิเสธคนนี้ควรนับถือ ถ้าเป็นการมองสิ่งนะมองสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างท่านสันชัยนะท่านสันชัยที่ท่านปฏิเสธไม่มาสู่สานักพระพุทธเจ้าพรพุทธเจ้าบอกมันมันเกิดขึ้นจากการมองมองที่เรียกว่ามองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ ทำยังไงยังไงเราก็ไม่พบสิ่งที่เป็นสาระเข้าไปในป่าต้องการเดาแก่นไม้ก็เ อ, อะไรมาไม่รู้เพราะเราไม่รู้แก่นไม้เืออะไรนั่นก็คือก็คือภาพของการขาดขาดปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบในการพิจิริพิจารณาเมื่อนี้เราพูดถึงอะไรวิสัยทัศน์รู้รามากคนไทยชอบเล่นสัเจะเล่นสั์ สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ทุนตรียภาพทุนทรุทุนทรรวิจักอะไรไม่รูนะ้แล้วก็เอามาหวือหว า, วาวรเรียโลกาพิวัตเราจะเห็นว่าคำใหมนะ่เมื่อก่อนเราใช้คำว่าโลกานวาัดตมากร็ใช้คำว่าโลกาพิวัตแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยสองคประมังบุยวาแรงมากวิสัยทัศน์กับโลกาพิวัตแต่เราถ้าทานจริงว่าโลกาพิวัตก็คือมองอย่างที่ว่าตะกี้วิสัยทัศน์เป็นลักษณะของแสง แสงที่มันให้สว่างตรงรอบตัวต้องมองไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเป็นลักษณะของของวิสัยทัศน์ก็คือมองไกลมองกว้างมองลึกมองรอบเมื่อก่อนเราใช้คําว่าเจตคติทัศนคติโลกทัศนและก็มาเป็นเป็นวิสัยทัศน์เป็นการหมายความว่าสิ่งทั้งหลาย ม, มันมีลักษณะเป็นยงไงสี่เหลี่ยมก็ต้องเห็นทั้งสี่เหลี่ยมแต่อย่าลืมว่าในสี่เหลี่ยมคืออะไร และความเป็นหมาก้องสี่เหลี่ยมตรงนั้นมันมาจากไหนเป็นการมองสืบสาวแนวการศึกษาแนวไรก็จ ะ, จะมีลักษณะอย่างนั้นมาความศึกษากลับไปอย่างที่พระเจ้าสอนธรรมะในศาสนานั้นจะต้องมองตัวภาษาแล้วก็มองตัวอัถะของภาษาก็เรียกว่าติลสูตรศสาสตร์ถังสภาวิญญาณชนั้งมาความมันไม่ได้มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมองทั้งอัฐะคือตัวเนื้อหาแล้วก็พยัญชนะนคือรูปแบบของมัน รูปแบบไม่ใช่เรื่องจะต้องติดใจในรายละเอียดมากเกินไปแต่ต้องมองถึงตัวเนื้อหาตัวเนื้อหาว่าคงเนื้อหาอยู่หรือเปล่าและเนื้อหานั้นมันจะมีความเป็นมาของมันอย่างความเป็นชาติประเทศเนี่ยะมันมีประวัติศาสตร์ของมันแลน้วเราลองสังเกตเรืน่นี้เราคิดประเทศไทยเป็นคิดแบบสหรัฐที่จริงประเทศไทยไม่ใช่สหรัฐวัฒนธรรมของเอเชียมันเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ว่าทำที่เป็นฐานมาจากศาสนาแล้วก็มีการสืบสารที่ต่อกันมาประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างเป็นผู้นำเป็นผู้รวบรวมสร้างบ้านแปลงเมืองมามันไม่ใช่เอกชนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างเมืองแล้วก็ประสานขึ้นเป็นสหรัฐอย่างแบบสหรัฐอเมริกาเราจะคิดพมา่าผ่าเมืองนะเวลนี้จะมันคิดจะผ่าเมืองแยกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ประเทศไทยกระโจยร้อยวิ่งยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยผ่านไปไม่กี่จังหวัดแล้วนั่งรถจากกรุงเทพไปถึงนครสวรรค์นี่ผ่านมาห้จังหวัดน่ยใช้เวลาสองยีโมงครึ่งเองสารัษตร์นี่รัดเดียววิ่งกันเครื่องรถเป็นวันๆยังไม่ทะลุรัฐก็เลยนะฮะมันมันมันไม่ใช่ฮะไม่ใช่นั้นก็คือเราคิดว่าเราวิสัยทัศน์ที่จริงไม่ใช่วิสัยวิเศษทัศน์เราต้องมองกลับมองกลับสู่อดีต ว่าความต้องโสดรับกับวัฒนธรรมโสดรับประมาทธรรมของท้องฉิ่นของท้องเรยจึงจะกลายเป็นวิสัยทัศน์ก็สแสดงว่าเป็นแสงสว่างที่สองขึ้นหรือส่องไปข้างหน้าแบบไฟฉายไฟฉายมันก็มองได้ข้างหน้าแต่ข้างหลังมันมองไม่ได้แสงเงาหลังก็มืดมัวแต่วิสัยทัศน์ต้องลักษณะแสงที่หมุนรอบตัวได้มองกว้างมองลึกมองไกลนะเห็นทั้งยาวทั้งสั้นแต่ว่าอย่าลืมเรื่องการ เรื่องการเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอน า, าคตพ่าต่อไปจะเป็นยังไงด้วยมันจะต้องมองอย่างนั้นด้วยตลอดถึงความพร้อมอะไรต่ไรในด้านาต่างๆมันมีเงื่อนไขอยู่เยอะถ้าเรามองในแนวนี้สี่แนวที่ว่าเนี่ยเป็นการทำลายทั้งตัวเองเป็นการทำลายทั้งคนอื่นแล้วเป็นการกีดกันสิ่งที่สังคมใจรับแล้วก็ส่งสิ่งที่สังคมไม่ควรจะรับเข้าไป เราไปยกย่องนับถือคนนี้ไม่ควรแก่การยกย่งนับถือนอกจากขุดทํำลายเราแล้วมันมันมันคนเนี้ยเรากลายเป็นเครื่องมือของคนนี้ให้เขาทํำลายสั ง, งคมด้วยหรือการปฏิเสธคนที่ควรแก่การเคารพนับถือบิดกั้นโอกาสของเราไม่ให้เราได้ประโยชน์แต่พานแล้วคนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะสมมุติอเนี้ยสมมติว่ า, มมวาหมอคนนี้รักษาโรคดีมากเราเที่ยบอกเขาโอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกหมอคนนี้ไม่ได้เรื่องหรอกคุณจะไปรักษา ผลรุตายเนี่ยเราเองก็ไม่ได้รักษาโรคให้หายเร็วไอ้คนอื่นแทนที่จะได้หายจากโรครก็เลยไม่ได้รักษาด้วยความเชื่อเราซึ่งยังใช้คำว่าเป็นการขุดทํำลายตัวเองในกรณีนี้ก็ทรงพูดในในในประโยคต่อมาด้วยนะหมายความว่าชุดต่อมาเนี่ยชุดต่อมาก็คือแนวที่ท่านถ้าสํานวนปัจจุบันกะ็คือวิสัยทัศน์นต่นะ่แะแต่ท่านแนวของพระพุทธเจ้าท่านบอกวิยถา ญาณทัศนะเป็นความรู้ความเห็นตามความจริงจริงเป็นยังไงก็คือจริงอย่างนั้นจริงระดับไหนก็ว่ากันไปจริงระดับตรงนี้เป็นจริงระดับโลกิยะก็ก็กกว่ากันไปก็ไม่เทียงกันระดับโลกิยะโลกิยะในชั้นไหนในช้ประโยชน์ในชั้นไหนก็ว่ากันไปจริงระดับโลกุตระดับหมายความว่ารู้เห็นตามความ ในกรณีของคนของความเคารพนับถือนะของการยกย่องของการตําหนิดังกล่าวนะเราไม่มองที่คนเห็นหมเราเราไม่มองที่คนเพราะคนอย่างที่บอกแล้วว่าเรามีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาวเรามีความคิดเบียดเบียนเรามีความริษยานะจากความคิดเบียดเบียนเนี่ยทําให้มนุษย์พร้อมที่จะรับลูกเมื่อพูดถึงความชั่วของคนอื่น จากความริษยาเนี่ยมนุษย์พร้อมที่จะปฏิเสธเมื่อพูดถึงความดีของคนอื่นก็คือแนวทั้งสี่โครงสร้างนั้นดังว่ามาแล้วเพราะการการมองของคนที่มีปัญญาที่ไม่ขุดไปทำลายตัวเองก็คือมองตามความเป็นจริงทีนี้ตัวความจริงมันสะทอ้อนมาจากอะไรสะทอ้อนมาจากการกระทำสะทอ้อนมาจากการกระทำของคน พวกพวกพวกที่กำบังถกเชียงเมื่อวานเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่น่ากลัวประโยคหนึ่งที่น่ากลัวเขาบูดว่าเขาบอกว่าสังคมไทยนั้นเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าความดีความชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของคนนั้นนะทำให้ประเทศไม่จเจริญก้าวหน้าก็นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงแล้วจะต้องสร้างระบบขึ้นมาระบบเนี่ยมันทำอะไรได้ถ้าคนไม่พร้อมจะปฏิบัติ เหวอันนี้คือการคัดค้านกฎของกรรมนะะจริงริคัดค้านกฎของกรรมเอาสมมติระบบดีมากๆเลยนะระบบดีมากๆเราจะทำยังไงให้คนเข้าสู่ระบบตรงนั้นได้คนมีความหลากหลายกข้าาเป็นคนมันก็ในสุดมวกก็กลายเป็นเปรตจากคนนอนมัาลาอย่างที่ล่ามันมันมันไม่มันไม่อยู่ในสถานะอะไรที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมาได้สมหรับมนุษย์ต่อ มนุนั้นต้องเสรมิมวุฒิปัญญาให้เขาเองให้เขารับผิดชอบตัวเขาเองเราจะไปบังคับจับไปคนนั่งกับให้คนลุกจับเขาเดินเราไม่ได้เราเรามีหน้าที่ให้ปัญญานั้นพระพร ะ, พระพุทธเจ้าไม่ยุ่งกับคนเลยนะเห็นไหมไม่ยุ่งกับคนนะ่เราบอกให้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนดีเขาศีลเนี่ยไม่ได้บอกว่าคืออย่าฆ่าสัตว์อย่าลับทับไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกว่าคนดีในโลกนี้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนจัดประทุสร้าย ต้องการเป็นคนดีก็เป็นไม่เป็นก็แล้วไปรับผิดชอบกรรมกันไรกันอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยอมรับสถานภาพความความเป็นจริงครามเป็นจริงเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเวลามองที่จะยกย่องตำหนิจึงไม่มองที่ตัวคนแต่จะมองที่ตัวการกระทำแต่การกระทำนั้นในขณะนั้นนั้นะแล้วก็แม้ออดีตมันก็ต้องพูดถึงการกระทำในอดีต อย่างอย่างคล้ายๆเราล่าประวัติเล่าประวัติพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ถูกหมดเ น, น, นะ่ะครับพระเจ้าไม่ใช่ถูกหมดตอนผิดก็คือผิดอ่ะตอนเป็นพระโพธิสัตว์ผิดเดยอะเลยนะไปหลงทรมานร่างกายพระเจ้าก็เล่าเฉยเห็นไหมนั่นก็คือผิดก็คือผิดฉันก็เคยผิดไม่ใช่ผิดเฉพาะเธอแล้วเคยดมเคยเสวยเคยอะไรอะไรตอนทรมานร่างกายนะฮะเสวยแม้แต่อุจจาระตัวเองอนะไม่ใช่เล่นน่ยนะ ทดลองหมดเลยทุกักกิริยาเนี่ยก็มาเล่าหมดอ่ะนั่นคือความจริงมันเป็นยังไงก็แสดงความจริงออกมาแต่ว่าตรงนั้นดูที่การกระทำดูที่การกระทําว่าเมื่อพระองค์ทําอย่างนั้นพระองค์ก็หลงทางหลงทางก็บอกว่าชั้นเคยหลงมาแล้วจั้นทำอย่างเงี้ยชั้นก็หลงมาแล้วเดี๋ยวหมุนบนเลยต้องหกปีไงเห็นมานั้นก็คือเอาการกระทำเนี่มาพูดมันไม่ใช่ตัวพระองค์เอง โดยปรองเองแต่ว่าเวลาขยับทอนนั้นเองมันดีหรือไม่ดีะเรานั่งเฉยเฉยเนี่ยเราไม่เป็นเป็นคุณเป็นโทษอะไรกับใคถ้าเป็นคุณเป็นโทษเฉพาะใจเราเองความคิดของเราในเป็นคุณเป็นโทษของเราแต่มันตอนที่เป็นคุณเป็นโทษนั้นคือตอนที่เขากระทำตอนกระทำออกไปการพูดออกไปจึงกลายเป็นคุณเป็นโทษแล้วเราก็ก็เขียนการกระทำกับคำว่าดีหรือไม่ดีเพราะดูที่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ แล้วก็สิ่งที่เขากระทําหลักการในการพิจารณาเทียบเคียงท่านหลายใจใจนวนแนวที่เขาเรียกปฏิรูปที่สร้างไอ้กรอบสร้างระบบอะไรขึ้นมาเนี่ยจริงนั้นถ้าทันได้ก็คือแนวธรรมมาธิปไตยเพราะกรอบหรือระบบนั้นก็คือเกณฑ์มาตรฐานในการกําหนดความถูกความผิดวิธีในการกระเพื่อปฏิบัติมันไม่มีใครสร้างอะไรขึ้นมาได้หรอกที่จริงมันก็มีอยู่แล้วทั้งนั้น เองแต่ว่าอยากจะเป็นาศาสดากับเขาต่นนั้นเองนะพยายามที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้มั น, ม, นมันมีอยู่แล้วทั้งหมดอาศัยเกณฑ์ตรงนั้นแต่ว่าวิธีการของาศาสนานั้นเราก็บอกเกณฑ์แต่เราอธิบายให้ฟังตอนนั้นเองไม่จะจับคนมามาปั้นเราจะผลมาออสั่งอย่างนั้นซ้ายหันขวาหันกับหลังหันทีนี้พอเรามองที่การกระทํามันเหมือนกับการตรวจข้อสอบเราไม่มองว่าใครตอบ เรามองว่าตอบว่ายังไงเห็นไหมเราก็อ่านตอบว่ายังไงก็ไม่รู้ใครใครก็ไม่รู้เราไม่ดูไม่สนใจนับเรียนมาตรวจจากข้อหนึ่งไปก็ลงไว้ต้องไปดูข้างบนอ่ะชื่ อ, อย่างไงอย่างของพระนี่ไ ม, ไม่ไม่มีชื่อคนนะข้าเนี่ยข้อสอบปรรัตธำความศึกษานี่ไม่มีชื่อคนใครจะช่วยลูกศิษย์ไม่มีทางช่วยได้เพราะไม่รู้เลย แต่เราจะมองเฉพาะการกระทำการกระทำของเขาเพราะงั้นถ้าจะผิดก็เขาทําผิดเขาทําผิดก่อนเราจึงบอกว่าเขาผิดถ้าจะถูกเขาก็ทําถูกมาก่อนเราจึงบอกเขาถูกเพราะนั้นแนวคล้ายๆกับรายงานคล้ายๆกับรายงานลักษณะภูมิอากาศนะเวลานี้กี่องศากี่องศ า, าก็ว่าเวลานี้ที่นี้นะที่นี้เวลานี้สิ่งที่เราพูดนั้นบางทีสัมพันธ์กับกาลเทศะ พังพังเวลากับสถานที่เวลาตรงนี้นะสถานที่นี้อุณภูมิเท่านี้แถวสถานที่นี้เวลาอื่นไม่รู้นะเราก็ไม่รู้แต่เราก็บอกเราจะต้องบอกเวลากับกับกาละไม่ใช่กาละกับเทศะคือเวลากับสถานที่มองไปที่การกระทาทีนี้เวลาจะยกนับถือก็หมเราดูที่การกระทาของ ไม่ใช่ลือหวือหวาแล้วก็เฮโลสารพาเหยียบกันตายไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องต้องมองโดยเหตุด้วยผลโดยเหยผลนะแม้แต่ว่าในวงการของวงการของพระเราเองเช่นแม้แต่พรมน้ำมนต์เนี่ยนะอาตมาเองไม่ใช่พระไม ใ, ใครทุกคนเป็นมหาปรเรียนเป็นใหญ่โตเอาเขาด้วยอจ้ะเนี่ยก็พรมให้คนที่ต้องการขันกํำลังใจกับน้ำมนต์นั่นเองคุณมันไม่ใช่ระดับนั่นเลวเอาเขาด้วยย้ะเลย ถ้ายัางเขาจะเอาเราก็ไม่หวาไรอะแต่เราก็รู้สึกไม่น่าจะโพรหมนะคุณนะมันมันมันมันเป็นของเป็นของให้ความอบอุ่นใจสำหรับคนบางพวกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคนบางพวกไม่จําเป็นจะต้องอาศัยทั้งหมดนั่นก็คือเราดูที่การกระทําของเขาอุทิพพาวะของเขาว่าควรแก่การนับถือหรือไม่วควรแก่การนับถือ การแสดงออกของเขาแล้วผลจากการนับถือมันต้องว่านับถือใครนับถือไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงต้องมองที่ตัวประโยชน์ให้ได้ถ้าไม่ได้ประโยชน์มันก็ไม่ควรแก่การนับถือมหมายความเราต้องเห็นคุณค่าคล้ายๆกับการโฆษณาติดค่าทั้งหลา ย, ยต้องมองถึงประโยชน์ให้ได้แล้วก็ต้องมองถึงความคุ้มให้ได้มองถึงความคุ้มค่ายแล้วมายังเป็นห่วงตอนนี้วันก่อนที่ไป ลูกศิษย์เขามีคนถวายที่ดินสองพันกว่าไร่ให้สร้างวัดแล้คนนึกว่มันอันตรายนะหนึ่งคือในการก่อสร้างจะลงทุนมากแต่ได้ประโยชน์น้อยสองนี่เมื่อเศรษฐกิจมันมีรัฐประชากรเพิ่มขึ้นวัดอยู่กันไม่กี่องค์ใหญ่โตชาวบ้านไปอัดกันเป็นปราสาดสาดดินอยู่ในกระป๋องนี่มันมันอันตรายนะอันตราย เดยจะคิดแต่อนุรักษ์ป่าอะไรก็ไม่ว่ากันนะนะแต่ว่า of of us, ต้องมองสังคมสังคมต้องเห็นด้วยถ้าว่าพระมีที่อยู่บริเวณที่อยู่สักหลายสิบไร่หนึ่งนะรักษาป่าไว้สักพันสองพันห้าพันหมื่นแสนก็ว่าไปจะไม่ว่าอะไรแต่ว่าความคุ้มเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ คนต a, ค้องมองเห็นผลประโยชน์ที่เก <ham> ิดขึ้นจากการลงทุนด้วยเพราะแนวความคิดปัจจุบันเขาจะมองในแนวของเศรษฐกิจเนี่ยมากการลงทุนความคุ้มกับทุนหรือผลตอบแทนที่ได้มาอะไรแต่ก็กก็็แนวเดียวกันนะฮะว่าจะจริงก่อแต่ว่าเรามองประโยชน์ในด้านพัฒนาการทางจิตเพราะจากคำว่าได้ประโยชน์ยังไงเนี่ต้องมองตรงนี้คุณจะเห็นว่าทั้งทั้งสี่ประเภทหลังเนี่ยหมายความว่า ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงในรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทําที่ควรแก่การยกย่องพิจารณาเทียบเคียงในรอบคอบแล้วตําหนิคนที่ควรตําหนิเมื่อเขามีการกระทําที่ควรตำหนิแต่ไม่ใช่เหมาหลูนะไม่ใช่ตลอดชีวิตไปตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีคล้ายๆขาวก็ขาวดาก็ดําแดงก็แดงก็บอกไว้เท่านั้นเอง พิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทําที่ควรแก่การเคารพนับถือเราไม่ได้ ja Sisters, mm. yeah. ดูท yeah. ี s <S ่คนแต่เราดูที่กรรมดูที่การกระทำของเขาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วไม่ให้การนับถือแก่คนที่ไม่ควรแก่การนับถือเพราะเขามีการกระทําที่ไม่ควรแก่การเคารพนับถือก็ต้องถามว่าเพราะเหตุใด อภิธรมเพราะเหตุใดยกย่องเพราะเหตุใดตําหนิเพราะเหตุใดนับถือเพราะเหตุใดไม่นับถือเพราะเหตุใดมันต้องบอกเหตุหได้เพราะรายการนับถือการตําหนิการไม่นับถือการนับถือการตําหนิการนินทานเนี่ยมันมาจากมันมันเป็นผลเป็นผลที่เกิดขึ้นภายในใจเราซึ่งต้องมีเหตุให้เกิดและเหตุนั้นจะต้องมองที่การกระทำของเขา ไม่จะมองว่าลูกหลานของคนนี้ตระกูลนี้พวกนี้ชาตินีออ้อย่างนั้นมันก็แรงไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันไม่ใช่ว่าเอเตี้ยไปอย่างอย่างอะไรมีนักขา่าวมีคนหนางตาก็ถามคุณประหานว่าเตี้ยเป็นนายกได้ไมันเกี่ยวอะไรกับเตี้ยหอแล้วสูงเป็นนายกได้มันก็มีเกี่ยวอะไรกับสูงเป็นนายกเป็นเรื่องการใช้ความรู้ความสามารถไม่ใช่แบกหามนี่นะไม่ใช่เป็นกุลีแบกของหนักนี่นะ อั น, นคอ้คือมันมุ่งมั่วนะม่งมัวเป็นความคิดที่ม่งมั่วเพราะงั้นการการมองปัญหาเนี่ยยุคยุคโลกาภิวัตยุคข้อมูลข่าวสารนี่ที่ว่าเราต้องวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเยอะเพราะงั้นต้องมีปัญญาต้องมีความคิดที่เป็นระบบในการตัดสินยอมรับปฏิเสธในการนำมาประพฤติปฏิบัติตลอดถึงการในการตัดสินวินิจฉัยคน ตามที่ทรงแสดงเอาไว้สมรัรนีก็ข อ, อยึดิไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูตในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังหลายโดยชั่วกันทุกท่านคือ